สวัสดีในที่นี้ก็ประสงค์ที่จะพูดถึงเรื่องสมาธิให้มากเนื่องจากว่าสมาธิเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มหาศาลแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายได้พากันไม่เอาใจใส่หรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้คิดถึง ว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความใหญ่ยิ่งอย่างไรเพราะฉะนั้นประประสงค์ว่าจะให้ทุกๆคนเข้าใจว่าสมาธินี่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่จริงๆและถ้าหากว่าเราได้พากันขยายสมาธินี่ไปให้กว้างขวางแล้วความสงบสุขของหมู่ชน ก็จะต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าสมาธิเนี่ยเมื่อทำลงไปแล้วจิตในเบื้องต้นที่ไม่ได้เป็นสมาธิน่ะคือจิตที่มีความคิดฟุง้งซ่านเมื่อเวลาจิตที่จะเริ่มต้นในการทำสมาธิก็คือการบริกรรมการบริกรรมนั้นก็คือการที่ท่อง ไว้ในใจว่าจะว่าพุโทโธธโมหรือจะว่าคำไหนก็ได้ขอให้เป็นคำเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะต้องรวมลงเป็นสมาธิเมื่อจิตรวมลงเป็นสมาธิแล้วทีนี้จิตก็จะผลิตพลังจิตทั้งทั้งหลายให้พากันเข้าใจว่าจุดประสงค์ของการทาสมาธิอยู่ที่ตรงนี้คืออยู่ที่พลังจิตนี่ เราต้องการพลังจิตให้แก่ตัวของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้นจึงมีวิธีการต่างๆในเรื่องของสมาธิเพื่อที่จะให้ผู้คนทั้งหลายมีความสนใจในเรื่องสมาธิให้มากเมื่อเวลาจิตที่เป็นสมาธิและได้พลังจิตแล้วเนี่พลังจิตนี่จะเป็น การที่สะสมไว้ในตัวของบุคคลผู้ทําสมาธิเมื่อทําสมาธิมากเท่าไรพลังจิตก็จะมากขึ้นตามเป็นเงาตามตัวแล้วก็พลังจิตนั้นเมื่อทําขึ้นมาแล้วก็จะฝังสนิทอยู่ที่จิตนั่นเองเมื่อฝังสนิทอยู่ที่จิตแล้วมันก็ไม่หายไปไหนไม่สูญสลายตัว เมื่อทําครั้งที่สองทำครั้งที่สามหรือทําครั้งต่อไปพลังจิตก็จะต้องสะสมเข้าไปอยู่ที่จิตอยู่นี่ก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลที่เกิดขึ้นจากพลังจิตนั้นมากมายยิ่งนักเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่ทําจิตไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะสามารถควบคุมจิตใจของเราได้ เมื่อความเมื่อจิตใจของเราถูกควบคุมได้แล้วประโยชน์มหาศาลที่สุดที่เราพากันเกิดเรื่องเกิดเราทะเลาะกันสารพัดเทกไม่มีความเห็นลงรงลอยกันเหล่านี้เกิดขึ้นจากการควบคุมจิตใจไม่ได้เมื่อควบคืนจิตใจไม่ได้ความพยายามบอาฆาตจองเวน อะไรมันก็มีโทสะโมหะความรอบความอะไรมันก็มากมายมันก็สมกันเข้ามาเมื่อเป็นเช่นนั้นพลังจิตจึงมีความสําคัญที่จะควบคุมจิตไม่ให้เดินไปในทางที่ผิดเมื่อเวลาที่เราทําพลังจิตมากเข้ามากเข้าในจิตนอนเนื่องว่าอยู่ที่จิตเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวเตือนเขาเรียกว่าตัวเตือน ตัวเตือนเนี่ยมีความสำคัญอย่างจริงเพราะว่าตัวเตือนเนี่ยเขาเรียกว่าตัวที่เป็นสติที่นอนเนื่องอยู่ในใจที่ว่าคอยเตือนอยู่เสมอถ้าหากว่าเราไม่มีพลังจิตเนี่ยมันไม่มีอะไรเตือน เมื่ออยากฆ่าคนอยากทำลายคนอยากรักอยากขโมอยอยากกองอยากสารพัดมันก็ไม่มีอะไรเตือนมันก็ทำไปตามอำเภอใจแต่ว่าถ้าหากว่ามีสมาธิแล้วก็จะมันมีเครื่องเตือนเครื่องเตือนนี้จึงมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเวลาที่เราทำจิตได้ระดับหนึ่งสามารถควบคุมจิตใจได้เนี่ยประโยชน์ที่ จะเกิดขึ้นคืออะไรคือเมื่อเวลาความขัดแย้งอะไรต่างๆเกิดขึ้นมานี่มันจะใหญ่โตมโหรานแค่ไหนก็สามารถลดระดับลงมาพ้นขีดอันตรายนี่คืออ า, อานิสงส์หรือว่าการที่เราทําจิตให้มีพลังจิตน่ยอานิสงส์เป็นอย่างนี้เมื่อพ้นขีดอันตรายแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อโลกถ้าหากว่าต่างคนก็ต่างไม่มีสมาธิไม่มีตัวเตือนคือไม่มีพลังเกีรตเป็นเครื่องเตือนเมื่อเป็นเช่นนั้นความขัดแย้งไม่ต้องมากเพียงถ้าหัวไม่ขีดไฟมันก็กลายเป็นขัดแย้งที่ใหญ่โตมโหฬารเกิดการแตกราวขึ้นมาในครอบครัวเกิดการแตกราวขึ้นมาใน สังคมเกิดการแตกเราขึ้นมาในประเทศชาติเกิดความแตกเราขึ้นมาในโลกอันนี้เป็นตัวที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในการขยายสมาธิให้กว้างฝาออกไปนั้นจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งหลายคือพวกเรานี่คือมนุษย์อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเขาตั้งชื่อให้พวกเราเป็นมนุษย์นี่ ผู้ที่ตั้งชื่อนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะเขาใช้คำว่ามัณและอุตระมัณณก็แปลว่าใจอุตระแปลว่าสูงสุดแล้วก็พนว ก, กันเขา้าเกลียกว่าเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์มีจิตใจที่สูงสุดและสามารถพัฒนาตัวของตนเองได้มีความสามารถกว่าพวกสัตว์ทั้งหลาย พวกสัตว์ทั้งหลายจะไม่ว่าจะเป็นช้างม้าหัวควายสัตว์อะไรต่างๆร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีมันก็ไม่เคยพัฒนาตัวมันเองมันเป็นยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นไปตลอดมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อย่างดีจากการไม่นุ่งผ้าจนนุ่งผ้ามีการแต่งแฟชั่นสารพัด จากการที่ต้องถือหนังสือไปอะไรอะไรต่างๆการที่จะติดต่อเดี๋ยวนี้ก็ใช้โทรศัพท์ใช้วิทยุโทรทัศน์ใช้สื่อสารพัฒน์ทำขึ้นมาแต่ก่อนคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาได้ทําไมมนุษย์จึงไม่คิดที่ว่าเราจะต้องมาสร้างสมาธิเนี่ยให้เจริญ เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าวัตถุนิยมทีนี้เวลานี้จิตตานิยมเนี่ยด้อยลงไปมากนักหาไม่มีใครคิดถึงไม่มีใครลงทุนไม่มีใครขยายงานเรื่องของอจิตใจเนี่ยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็เรียกว่าจิตนิยมถ้าหากว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยทําให้สมชื่อกันก็ว่าตัวเราเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงพยายามพัฒนา สมาธินี่ให้มีความก้าวไกลก็สามารถที่จะเป็นทำออจิตอนิยมนี่ให้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นได้เมื่อเป็นเช่นนั้นความสงบสุขก็จะต้องเกิดขึ้นในหมู่ชนทั้งหลายทั่วไปสวัสดีสา